ก็ความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังงหลาไรีึงทำจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกาลังนำเสนอมงค ล, ลสูตรในข้อแรกอยู่ก็คือข้ออเสวนาจบาลา น, นังระวะการไม่คบคนผ่านเป็นมงคล น, นันสูงสุดก็ได้พูดมาถึงเรื่องชาดก ในวีสตินิบาตอังคุตรนิกายคือสติกุมภะชาดุคคือหลังจากนกแขกดาวคือสติคุมภะได้แสดงธรรมภาษิท์แก่พระเจ้าปัญจาระก็พระองค์ก็ชื่นชมบอกว่า ได้กล่าบฤาษีที่มารับรองโรองว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเมื่อท่านทั้งหลายอนุเคราะห์ข้าพเจ้าก็จงอยู่ในพระนครข้าพเจ้าเถิดดังนี้แล้วเสด็จไปยังนครพระราชทานอภัยแก่นกแขกเต้าทั้งหลายโปรดให้คณะฤาษีผู้มาในพระนครนั้นอยู่ในอุทยานทรงทํานุบบารุงจนตลอดประชวรมชีพ สุมเป็นทางสวรรค์เต็มที่แล้วส่วนนกปุก ป, ประกะก็อยู่ในป่าตามยถากรรมนี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงผลกระทบในแง่ของสังคมแต่ตามโครงสร้างของการขบผ่านผ่านป่ า, าไปหาผิดขบบันดิตบันดิตผ่าไปหาผลเนี่ยเราดูตัวอย่างง่ายๆนะะว่า เช่นว่าวัดวัดหนึ่งเนี่ยมีสมผานโดดเด่นมีความรู้ดีมีความประพฤติดีแล้วก็ทำงานเป็นประโยชน์แก่ประชาชนเป็นจำนวนมากวัดก็เจริญรุ่งเรืองคนก็เข้ามาบวชมากทายกทายิกาก็เข้ามาในวัดมากพระภิกษุสามเณรเด็กวัดก็อยู่กัน สะดกสบายแล้วก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยลาบสักการะต่างๆเพราะอะไรเพราะว่าได้หัวหน้าที่ดีคณะฤาษีนั้นในฐานะที่เป็นฤาษีก็ได้สอนสัตว์แล้วก็สัตว์ได้ปฏิบัติจังหวะดีคือได้ช่วยให้ผลสติปัญญาแก่ พระเจ้าพระราชามันกลายเป็นผลกระทบมาจนถึงพระราชาเกิดศรัทธาเลื่อมใสในผลงานของฤาษีนะฮะที่สอนนกแขกดาวแล้วก็ทำให้นับถือฤาษีเขาเรียกว่าความรักที่เกิดขึ้นจากความรักหมายความพระราชานกักรักนกสติกุพภะและไม่ใช่นก ป, ปูพกะ แต่ว่าฤาษีนั้นเป็นผู้สอนนกปุปกะเขาทำให้ประชาชนก็เกิดศรัทธาในฤาษีไปด้วยเขาเรียกว่าดีทายาทมันก็คู่กับชั่วทายาตก็ยังฝ่ายนกสติกุมภะกับุกโจนทั้งหลายก็ถูกปราบปรามกันไป พระชาก็เสด็อสัทธาเลื่อมใสในฤาษีก็ธนุบำรุงฤาษีตลอดชีพิตก็เป็นการสร้างทางสวรรค์ให้แก่ตัวเองทีนี้ต่อมาอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องช้างชื่อมหิลามุกเป็นช้างมงคลของพระเจ้าพุมทัศเป็นช้างที่ดีนะฮะมีศีลสมบูรณ์ด้วยมัน ญ, ญาิไม่เบียดเบียนใคร ต่อมาพวกโจรไปปรึกษากันที่โรงช้างคือช้างเขาได้ยินแล้วก็ไปเข้าใจว่าพวกโจรนี่สอนให้ตัวเองทำอย่างนั้นพวกโจรคุยกันว่าต้องทำลายอุโมงค์อย่างนี้ต้องทำการตัดช่องอย่างนี้ทำลายอุโมงค์และทำาการตัดช่องแล้วก็ลักของจึงสมควร เมื่อจะรักก็ต้องฆ่าแล้วก็ตีเจ้าของจึงจะรักมอได้อย่างนี้จึงจะไม่มีใครสามารถต่อสู้คุณชื่อว่าโจรไม่ต้องมีศีลาชาราวัดต้องเป็นคนกระด้างหยาบคายร้ายกาดก็จึงจะเหมาะสมแก่ความเป็นโจรช้างไมลามุกซึ่งมันก็สื่อสารด้านเดียวอยู่นะ หมายความมารับข้อมูลสื่อสารในด้านดีจากควาญช้างจากปุโรหิตตลอดถึงจากพระราชาแต่พอเจอทระคำของโจรก็ไปเข้าใจว่าโจรน่ะสอนตัวเองแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามโจรไปก็ปกลายเป็นช้างที่ดุร้ายรือประเด็นที่น่าจะมองอย่างหนึ่งก็คือพฤติกรรมที่โจรพูดกันให้ลองสังเกตว่า ใจมันไหลไปตามกระแสที่เริ่มต้นในโมหะคือการไม่รู้จักบรั บ, บุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ดีชั่วเสื่อมเจริญสุขทุกข์แล้วก็นำไปสู่โลภะโลภะก็เพิ่มโมหะก็เข้มขน้นจนไปถึงก็ขุดอุโมงค์แล้วก็ปล้นทรัพย์สิน แล้วเจ้าของทรัพยก์ก็ต้องต่อสู้ขัดขวางก่อฆ่าเป็นอาการของโมหะโลภะโทสะโดยต้องการจะปกปิดความชั่วของตัวเองแล้วก็ทำลายคนอื่นนี่คืออาการของกิเลสเขาเป็นเขาอย่างนี้กิเลสเกิดขึ้นแก่ใครเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรก็จะเป็นอย่างนี้เพราะข่าวคราวบางอย่างเนี่ย ที่มีความรุนแรงมีปล้นมีฆ่ามีข่มคืนมีเผาบ้านนั้นแสดงถึงอาการเลือนไหลของกิเลสที่แรงแล้วพวกนี้ก็ไม่รับผิดชอบเรื่องบอ บ, บุญคุณโทษอะไรวันก่อนมีเด็กเคยสอบถามว่าไอ้คนที่ตัดเสียงพระก็ดีการขโมยพระพุทธรูปไปจำหน่ายก็ดีเนี่ย และต่อไปก็เป็นยังไงบอกที่แน่เนี่ยคือเขาต้องประสบความทุกข์แน่นอนแต่เราไม่รู้ว่าใครีแต่ว่ารู้อีกที่หนึ่งก็เมื่อก็ตายไปแล้วแต่ก็เป็นข่าวจงเราก็ไปตัดสินลงไปไม่ได้แต่เพราะว่าการตัดเสียนพระพุทธรูปมันหาหรือโหดรุนแรงการลักขโมยพระพุทธรูปเป็นความโลภหลงที่รุนแรง ก็บาปตั้งมากแต่ว่าตามปกติแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครลักเราไม่ได้ติดตามข่าวคราวเรื่องนี้เป็นหลักการสำคัญว่ามันเป็นเรื่องของโลภะโมหะโมโลภามีโทษน้อยแต่คลายช้าโมหามีโทษมากแต่คลายเร็วพอผสมกันสองข้อแล้วก็ไปกันได้พันช้างก็คิดว่าผู้เนี้ยสอนให้เราสำนึก เราคิดว่าคราวนี้เราควรจะเป็นสัตว์กระด้างหยาบคายร้ายกาได้เป็นเหมือนอย่างนั้นงวงจับคนเลี้ยงช้างแล้วก็ฟาดลงที่พื้นจนตายเพื่อแสดงว่าช้างที่แท้จริงเนี่ยต้องเป็นอย่างนั้นมันก็เหมือนกระโจรที่สอนเอาไว้นั้นแสดงว่ามีการศึกษาสําเนียกที่ผิด ไอ้ช้างเหล่านี้เป็นที่ชื่นชมของประชาชนมาก่อนเพราะนั้นก็มีคนไปกราบทูนพระาชายสงสาบรับสั่งให้อมัดผู้ใหญ่บอกไปดูซิช้างทำไมจึงเป็นอย่างนั้นหมา่นไปแล้วก็ไม่ได้เห็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรคิดว่าไอ้บรรดูร้ายเกิมาได้อย่งง จะคิดว่าพวกนี้ที่เป็นสัตว์ร้ายเนี่ยคงจะมีใครพูดอะไรกันในเวลากลางคืนในที่ใกล้โรงช้างแล้วก็ช้างไปได้ยินเข้าพอสอบถามทราบความเช่นนั้นแล้วก็าาก็จะการแก้ไขนะโดยเปลี่ยนผู้สื่อสาร คือไปเชิญสมณพราหมณ์มานั่งสนทนามานั่งคุยกันบริเบทนั้นสมณพราหมณ์ก็กล่าวถึงเรื่องศีลเรื่องการไม่ควรจับต้องใครๆไม่ควรฆ่าใครๆควรจะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมัญญาตประกอบดปริกันติเมตตาแล้วก็เอ็นดูช้างก็คิดว่าเออพวกนี้คงสอนเราแล้วสุดก็กลายเป็นช้างที่ อยู่ความเรียบร้อยตั้งแต่นั้นมานี่ก็ปรากฏในไมลามุขะชาดกในอการนิบาติทีนี้ก็พูดถึงมา้าม้าตัวหนึ่งในชื่อว่าปันดาวะก็เป็นสัตว์ที่เรียบร้อยนะแต่บดีคนที่เลี้ยงแกเนี่ย ชื่อนายคิริทั์เป็นคนขาขย ե กแล้วก็เดินจูงมาไปม้าก็นึกว่าไอ้นายคิริทั์เนี่ยสอนให้แกเดินอย่างนั้นแกก็เดินตามตกลงว่าคนจูงก็ขาขย ե กมาก็ขาขย ե กามไปก็มีการตรวจสอบด้วยเอ๊ะทำไมม้ามันขามเป็นยังไงบาดเจ็บยังไงก็ตรวจสอบดูปรากฏเราไม่เจออะไร ในสุดก็ได้ข้อยุติว่าเพราะว่าคนเลี้ยงม้าขาขยกม้าเข้าใจว่าคนเลี้ยงม้านี่สอนจึงเดินขาขย ե เลยก็เปลี่ยนคนเลี้ยงเปลี่ยนคนเลี้ยงตั้งแต่นั้นมาม้าก็เดินเรียบร้อยไปตามคนเลี้ยงอันนี้คือต้องการสะท้อนภาพคือเราจะเห็นว่าเวลาเนี้ยปัญหาใหญ่ของเราที่สื่อสารต่าง เ, เราไปรบปัญหายาวชนเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยแกพูดเหมือนกับหนังการ์ตูนพูดเหมือนกับภาพยนตร์การ์ตูนหรือนังการ์ตูนที่ที่เธอได้ฟังได้อ่านแล้วก็มีความชื่นชมในตัวเอกเหล่านั้นคือถ้าสิ่งแวดล้อมสื่อสารต่างๆเนี่ยมีจิตสำนึกรับผิดชอบ ต่อสินทำมันดีแล้วก็พูดง่ายว่าเลี้ยงชีวิตโดยส ม, มาชีพามาเคยได้รับอารัธนาไปเป็นวิจัยกรบรรยายในคณะนิเทศในหมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเราจะอธิบายถึงหลักการนิเทศศาสตร์เชิงพุทธเกิดเขาฟังนะฮะเราจะเห็นว่านิเทศศาสตร์เชิงพุทธโดยสรุปง่ายๆก็คืออย่ากล่าวร้ายอย่าทลาย เรื่องที่สื่อออกไปนั้นจะต้องเป็นเรื่องจริงเป็นธรรมมีประโยชน์แล้วผู้ฟังอาจจะชอบใจหรือไม่ชอบใจก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เขาต้องการมามองไปที่ตัวประโยชน์ซึ่งผู้รับสารจะพึงได้พะผู้รับสารมีคุณอุปการเราผู้สื่อสารในหะนงังสือพิมพ์เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะนึกขึ้นราคาเมื่อไรเขาก็ขึ้นเขาไม่สนใจจากสองบาทพวกเดียเป็น8บาทขึ้นมาเฉยเลย ไวนี้ก็ขึ้นราคาวันก่อนใน้ดูหนั่งซื้อรายวันไอ้รายสัปดาห์ไอ้แต่มันขึ้นราคาลดผลย่างไงจากยี่สิบบาทเป็นสามสิบห้าบาทโอโหขึ้นแรงเลยคือเขาไม่ได้คำหนึ่งอ่ะเขาเขามองในแง่ของธุรกิจคือแสดงว่าจิตสำนึกในการจะเผยแผ่ธรรมะหรือพูดว่าให้ธรรมะเป็นทาน ให้ความรู้ให้เหตุผลให้สติปัญญาแก่สังคมเนี่ยน้อยคือความคิดในเชิงธุรกิจนี่มากดีการคิดเชิงธุรกิจเนี่ยมันถามว่าเราจะได้กำไรเท่าไหร่มันแทนที่ว่าลูกค้าจะได้ประโยชน์อะไรเนี่ยเขาไม่คิดหรือคิดก็ให้น้ำหนักต่ำลงมาน้ำหนักหลักมันก็อยู่ที่เราจะได้กำไรเท่าไหร่ แล้วต่อมาท่านก็เล่าอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่จริงก็เป็นเรื่องของต้นไม้นะฮะเรื่องเรื่องผลมะม่วงก็ท้าความไปถึงเรื่องพระเจ้าทัติวาหณนะพระโพธิสัตว์เป็นนามาตยานุศาสตถธรรมของพระองค์ต่อมาก็มีการขึงข่ายแล้วก็ ไปได้มะม่วงซึ่งก็ใช้คำว่าเป็นมะม่วงที่บริโภคเทวดาคือเรื่องอัตรกระถาเนี่ยมาตกาก็อัตกอาจารย์ก็เป็นคนแขกกันนะฮะเป็นพวกพวกอารยันคือท่านพูดบางทีท่านก็ท่านก็ลืมนึกนะฮะลืมนึกไปว่าเทวดานั้น บริโภคอาหารที่เป็นทิพย์ไม่ใช่มานั่งกินมาม่องอยู่อย่างมนุษย์เพราะงั้นการอันสวายอธิบายสวรรค์ของของพวกแขกเราจะเห็นว่าสวรรค์มันก็คือคนเทวดาแบบแขกก็คือคนมีความโกรธมีความริษยามีความแข่งดีมีการเบียดเบียนกันมีการมัวเมาในเรื่องเซ็กเรื่องเพศไร้ไร้อุตรุดไปหมดเลย ามาทำหนังสือเล่มหนึ่งที่ยิมก็ทำมานานนะ่ะคือเดิมทีเดียวนี่ชื่อว่ายดมาจากพารณสีเขียนลงหนังสือพุทธธรรม เ, รเขียนมานานแล้วตั้งแต่ไปศึกษาที่ประเทศอินเดียแต่ก็มีคนไปอ่านไปเห็นข้าวก็เกิดสนใจแล้วก็อ่านแล้วก็เออตอนนั้นเราก็คนเยอะนะเรื่อง โดยการเด็กไปรวบรวมมาจากขอสมุดแห่งชาติตอนนี้ก็พิมพ์เผยแพร่ออกไปเล่มแรกโดยทุนบริจาคของพลเอกเสรีพุกมานกับตานทีิการบดีปัญญาของพลเอกเสรีก็ยังคิดว่าก็จะพิมพ์ให้ครบทั้งสองเล่มแต่ว่าที่ ที่ย้อนมาเนี่ยคือคือเราไปอ่านเจอเรื่องที่ตำ น, นานจะแม่กาลีนะฮะตำ น, นานจ้แม่กาลีมันก็สืบเนื่องมาจากพระศิวะกับจะแม่กาลีนี่สมสู่กันในห้องค่อนข้างละโขธานคือค่อนข้างเป็นที่พบเห็นของคนทั่วไปได้ง่ายแต่วก็ลากเรื่องมา คือพออ่านตำนานตามเขาเรียกว่าเทพประการน้มเนี่ยกระเนออินเดียเนี่ยมันเป็นความเชื่อตามที่บารลม巴าคือแบบนิทาน ป, ปาลม巴拉ท่านท่าๆที่โดยหลักการของศาสนาอินเดียเนี่ยเขาได้พิญญานะครปฏิบัติจนได้พิญญาแล้วก็อภิญญาเนี่ยมันมีที่ประจักษสุอยู่ด้วยมีที่ประโสนอยู่ด้วย แต่ว่าเวลานํามาสื่อเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเป็นการสื่อจักสายความเชื่อของพระบรรดานี่พระโทมาสอบถามเราเขาอ่านอัตตกถาแล้วก็ถามเลยก็อธิบายเขาฟังเลยเรื่องมันเยอะไปในสุดเขาบอกว่าเขาจะอบรมพระนะฮะก็นิมนต์ไว้แล้วแต่อยนิมนต์พูดอีกเรื่องหนึ่ง เขาบอกก็อยากยันในมลอีกอีกเรื่องหนึ่งนะฮะคือให้ตอบปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเราเนี้ยก็จริงก็น่าน่าศึกษาพอเรื่องของแขกในะบางทีแกใส่ไข่เยอะเลยนะฮะก็ เ, เรียกว่าใส่สีตีไข่อะไรนเยอะเลยเรื่องพอเรื่องในลักษณะนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นว่ามะม่วงต้นเนี้ย ในที่สุดก็สรุปว่ามันก็ติดตะขาตติดตะขายรสชาติเป็นที่พอพระไทยของพระราชาก็รับสั่งให้เพมาะมะม่วงไว้นิวทยานของโปรองให้รถโดยน้ำนมน้ำผสมกับน้ำนมนะต้นงอกก็ได้ผลได้ผลผลในปีที่สามแล้วก็ดูแลกันเป็นการใหญ่บำรุงกันบำาเรอกันเป็นการใหญ่ จนเรื่องบางเรื่องเนี่ยดูแล้วก็เป็นอะไรล่ะคือเป็นการบูชาธรรมชาติคัท่านบอกว่าต้นมะม่วงได้มีศักการะเป็นอันมากถวยนกรย่อมรถด้วยน้ำผสมน้ำนมให้เจิมห้าแห่งด้วยของหอมสวมพวงมาลัยตามประชีพด้วยน้ามันหอมและให้มีการวงต้นมะม่วงนั้นด้วยม่านผ้า ผนทั้งหลายมีรถอร่อยมีสีดุดทองคำพระราชาเมื่อจะส่งส่งผลมะม่วงไปถวายพระชาอื่นๆก็รับสั่งให้เอาเงี่ยงกระเบนเนี่ยแทงที่หนอ่อคือไม่แห้ ง, งอกพระราชาในบ้านเมือง น, นั้นพอสเสวยมันก็อยากจะได้พันธะแต่ว่าปลอกปลูกไม่งอกสักทีมันก็เกิดแข่งดีเกิดริษยากัน จนในที่สุดก็ได้ส่งนายอุทยานบานขึ้นมาคนหนึ่งก็เป็นงานเป็นงานแบบจารกรรมนะฮะคือทำลายล้างส่งคนตัวเองเข้ามาอยู่ข้างในอันนี้แบบแบบนี้ก็ใช้กันมาตลอดอย่างเวลานี้เราเห็นว่าแม้ในพระพุทธศาสนาเราเอง ก็มีวิธีการส่งคนที่เจตนาร้ายต่อาศาสนาเนี่ยเข้ามาบวนในาศาสนาเข้ามาปลอมบวชแสดงพฤติกรรมต่างๆที่มีปัญหาแล้วก็ส่งคนเข้ามาอยู่ในหน่วยงานต่างๆเวรนี้ยเยอะฮะพวกแบบจารกรรมจารชนเนี่ยเยอะพอเราดูแล้วเราไม่มีเรื่องอะไรใหม่เป็นเรื่องธรรมดาในสุรเขาก็ เรียกมาแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติให้แล้วก็ส่งคนเข้าเฝ้าพระอุทยานคนหนึ่งเนี่ยรับสั่งว่าให้ไปทำรถมะม่วงของพระเจ้าทธิวานะนี่ให้เสียหายแล้วก็ทำให้ขมกื่นอันนี้ก็รับปากแล้วก็พวกนี้ก็ไปอวดสปปรรพคุณของตัวเองนะฮะคือใช้การประชาสัมพันธ์ โปรโมตตัวเองยกย่องตัวเองประชาชเองก็ชื่นชมในช่วงแรกเนี่ยมันกรได้สัมพันธรร์ในเมตเปรีเนี่ยเข้ามาเป็นมิรร ต, รตรกับพิสูตพิสูตก่อนทำให้มะม่วงในงอกผลออกผลในช่วงที่ไม่ใชรดูออกผลก็ทำให้เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจมากยิ่งขึ้น ในอุทยานบานที่ปลอมเข้ามาก็เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าตาทิวาณนะมากยิ่งขึ้นก็เห็นว่าเออมันเก่งกว่าคนของเราไว้เนี่ยก็เลยปลดคนเก่าปลดคนเก่าเอาคนใหม่เข้าไปให้รับผิดชอบในอุทยานทั้งหมดและนี่ก็เริ่มเริ่มงานนะฮะเอาข้าวเบากะเถาวัลพรเพชรนะแล้วก็ล้อมต้นมะม่วงเนี่ย ไอ้รากกิ่งมันเกี่ยวพันกันไปหมดในที่สุดมันก็ซึมซับดูดซึมเอารสขมของบรเัเพ็ดเข้าไปก็ทำให้รสไม่อร่อยเหมือนเดิมม่วงจึงเป็นผลไม้มีรสอร่อยถึงเพียงนั้นก็กลายเป็นผลไม้ขมมีรสครายสะเดา คนข้าวพระอุทยานทราบประผลมะม่วงขมแล้วก็หนีนะราชาเสด็จไปสู่อุทยานสวยผลมะม่วงขมก็จึงบ้วนทิ้งแล้วก็จะถามพระโพธิสัตว์ว่าบันดิตต้นไม้นี้ไม่มีความเสื่อมจากการบริหารเดิมแม้เมื่อเป็นเช่นนั้น ผลของมันกยังกลับขมไปได้เนี่ยเหตุอะไรพระพุทธสัจก็ทูนถึงเหตุแลสงสารในกรณีเหล่านี้ต้องศึกษาดูแต่เคยสังเกตนะเคยพบไอ้ต้นฝรั่งเนี่ยต้นควาดังถ้าเอาศพของคนไปวางเอาลงศพไปวางลงศพที่มีกลิ่นเหม็นๆไปวางเนี่ยมันจะดูดนะ มันจะดูดจะมีกลิ่นเป็นศพเลยแต่ต้นพรางไนต้นอื่นยังไงไม่ทราบกรณีก็แสดงให้เห็นถึงอาเสวนปัจจัยแม้แต่พืชพันธัญญาหารเองเวลาไปเกี่ยวข้องกับพืชชนิดที่ให้โทษมันก็ไปซึมซับแึมซับทั้งทั้งหมดนะซึมซับทั้งส่วนที่เป็นคุณเป็นโทษในกรณีพูดถึงว่าซึมซับในส่วนที่เป็นโทษต่อสถานภาพของตัวเอง แต่จากรสหวานก็กลายเป็นรสขมไปพระพุทธทีสัตว์ก็อธิบายว่าก็าแต่พระเจ้า ท, ท้ทิวาหันะมะม่วงของพระองค์มีต้นสะดาแวดลอ้อมรากเกี่ยวพันรากกิง่งเกี่ยวพันกิ่งประเหต่อยู่ร่วมกันเนี่ยก็ทําให้รสอร่อยของมะม่วงในหายไปก็กลายเป็นรสขม ราชาได้ส่งสดับเช่นนั้นก็รับสั่งให้จัดการถอนพวกเสดาเครือแถาต่างๆแล้วก็เริ่มทนุบำรุงใหม่แล้วก็เอานายอุทยานบาลคนเก่าเนี่ยมาดูแลรสละม้วงก็อร่อยเหมือนเดิมข้อความตรงนี้ก็อยู่ในชาดกเช่นเดียวกันนะททที่หวานะชาดกในทุกกรณีบาสคือที่เขาเรียกนิบาสนิบาสอย่างเงี้ยทุกกรณีบาสเอกนิบาส วีสตินิบาตอะไรตนี้คือเขานับจํานวนคาถาคือทุกอนิบาตเนี่ยแสดงว่ามีพระคถ า, าอยู่สองพระคาถาอย่างที่กล่าวไว้เนี่ยมีพระคาถาสองพระคถ า, าแต่เอกนิบาตก็แสดงว่ามีคาถาอยู่บทเดียวแต่ว่าอย่างพระเวสสันดรเ น, นี่ยคาถาเป็นพันนะพวกนั้นเขาเรียกว่า เป็นอนเนก อ, อะ่ะคือคาถาคาถามากเป็นเขาเรียกมหานิบาตมหานิบาตในสิบเรื่องเนี่ยเขาเรียกมหานิบาต เ, เรียกพระเจ้าทศชาติแต่บางทีก็เรียกว่ามหานิบาตทีนี้ท่านอธิบายเห็นว่าแม้ของร้ายชีวิตจางกลายเป็นของไม่น่าปรารถนาเพราะประกอบร่วมกันของอันไม่น่าปรารถนา ได้เป็นของหน้าปรารถนาเพราะประกอบร่วมกับของอันหน้าปรารถนาหมายความว่าคนดีคบกับคนดีก็เป็นคนดีคนชั่วคบกับคนชั่วก็เป็นคนชั่วแม้แต่พืชพันธัญญาหารเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามพืชที่เข้ามาเกาะเกี่ยวได้ไนปะ ต, ตามพืชที่เข้ามาเกาะเกี่ยวได้อันนี้ที่จริงมันเป็นการจุดประกายความคิดถึงการสะสมพันธุ เวลเนีย้ยภาคเกษตรกรรมเราเห็นว่าจะมีการผสมพันธุ์พืชกันในลักษณะต่างๆดึงความแข็งแรงของพืชชนิดหนึ่งเอามาเอารสหวานของพืชชนิดหนึ่งมาผสมกันเช่นการต่อตาไม้เนี่ยก็มีความเจริญก้าวหน้าไปเยอะพระพุาคเจ้าก็ได้รับสั่งเรื่องนี้ว่าภิกษุตัางหลายขึ้นชื่อว่าการอยู่ร่วมกับคนไม่ดี เป็นการเลวก่อแต่สิ่งอันไม่มีประโยชน์อย่าพึงกล่าวอะไรในการอยู่ร่วมกับคนไม่ดีนั้นเล่าเพราะการอยู่ร่วมกับคนชั่วทําความพินาทให้แก่ชนผู้เป็นมนุษย์แม้แต่ต้นมะม่วงซึ่งไม่มีเจตนามีรสหวานเปรียบปานรสชิปอาศัยการอยู่ร่วมกับต้นสตีย์ที่มีรสขมก็ทําให้กลายเป็นมะม่วงที่มีรสขมไปได้ ทางที่เดิมทีก็มีรถหวาน น, นี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงการขา้อผานสมาคมคนผานเนี่ยนำความพิบัติมานำความพิบัติมาให้คือบางทีนี่ท่านแสดงเลยนะฮะว่าความมีสหายในคนผานเนี่ยไม่มีทีนี้ถ้าจำเป็นจะต้องมีสหายเป็นคนผา น, นยอยู่คนเดียวดีกว่า นะเหมือนช้างที่มีนอเดียวเนี่ยมันยุ่สบายในขัข้าวิสานั้นสูตรเนี่ยจะจะจะจบอย่างนี้เลยนัตถิบาเลสหายตาความเป็นสหายในคนผ่านไม่มีนะเมื่อมันหาสหายที่ที่ดีไม่ได้หาคนดีไม่ได้ก็อย่าไปมีเพื่อนจะดีกว่า หาผู้ชายที่ดีเป็นสามีไม่ได้ก็อยู่เป็นโสดดีกว่าหาผู้หญิงที่ดีเป็นพัญญาไม่ได้ก็อยู่เป็นโสดดีกว่านะเพราะการอยู่ร่วมคนพาลเนี่ยเสี่ยงมากๆโอกาสที่จะเกิดอันตรายแล้วตามปกติคนพาลเขาพูดเพระนะอะไรโบราณเขาบอกคนปรินวิ่นปล้อนในีพูดหวานคนพาลพูดมากแล้วก็ประหยัดได้ อีกประการหนึ่งท่านอุปมาว่าคนพาในเหมือนกับอมิตรนะฮะคือคนที่ไม่เป็นมิตรบัณฑิตในเมือนกัญาติก็พระผู้มีภาคเจ้าเมื่อประทับอยู่ที่พระเวลเวลวกคามนะฮะเวลุกขามในะมนะอยู่ที่เมืองไผ่สลีก็ได้เกิดประชวนลงพระโลหิต าาเทสกัตถวราสรงซาเพตุนั้นก็เสด็จมาทรงอุปถาคประสาสดาอยู่มีผู้อื่นแต่ต้องผจญหนะสมบรองพระบังคุหนักของประสาสดาแม้ด้วยมือเลยคนนี้ก็เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่พระเจ้าไม่โปรดให้พระสงฆ์ดูแลรักษาพยาบาลพระองค์เวลาทรงประชวรพราะวคฝ่าย คารวาสก็มีหมอชีวกุมารพัฒ์ดูแลอยู่แล้วแล้วก็เท่าสกะเทวราชเนี่ยคือท่านสำนึกพระคุณของพระพุทธเจ้าคล้ายๆกับพ่อนะ่ะคือให้ชีวิตท่านแล้ท่านหมดบุญกำลังจะจุติแล้วแล้วไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่อินทสารนะครูหาที่กรุงรัชครึแล้วควังธรรมเทศนาสะกะัปัญสู และจติและก็อุบัติตายแล้วก็เกิดเป็นททศกะเทวราจากททศกะเทวราที่แก่ก็กลายเป็นททศกะเทราที่หนุ่มเพราะันเวลาพราะพุทธเจ้าสรงระชวนท่านก็จะมาอุปถากดูแลก็นำพระบางคนหนักก็คืออุจจาระไปด้วยพระเสียรของพระองค์ทีเดียว เหมือนกระ น, นำภาชนะของหอมไปแต่นั้นพระเจ้าจึงทรงแสดงให้ชาวพุทธเนี่ยว่าถ้าปรารถนาจะบูชาพระองค์จะอุปถากบำรุงพระองค์เวลาป่วยเวลาพระองค์ทรงประชวรก็ให้อุปถากพิกสุข่ายแทนพระองค์ก็เป็นหลักการที่เราชื่นชมเรายึดถือประพิปฏิบัติกัน กิแสดงว่าเปิดโอกาสให้ชาวพุทธเมื่อต้องการจะดูแลพระพุทธเจ้าเวลาส่งระชวนปัจจุบันเนี่ยก็ดูแลพระสงฆ์ที่ป่วยนี่ได้ก็มีค่าเท่ากับดูแลพระพุทธเจ้าเป็นทั้งการปฏิบัติบูชาแล้วก็อามิสบูชา ททาสกะก็ส่งอุปถากอย่างนี้ในเวลาพระศาสดาส่งภาสุก็เสด็จกลับเทวโลกพิสุทั้งหลายก็มาประรบเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องที่น่าสจัยเทาสกะเทวราชมีความรักใคร่ในพระศาสดาองค์ทรงสละที่ประยศบัติมาอุปถากแล้วพระศาสดาได้รับสั่งได้เห็นว่ามันเป็นวิธีการทำบุญของคนเขา เขาเห็นว่าเป็นโอกาสนะฮะเป็นโอกาสในการทำบุญเพราะไปะ ย, ยืดอายุชีพให้ด้วยเพระอย่าลืมว่าบุญเนี่ยเป็นทางมาของอายุวันโนสุขังพลังอายุวัร น, นาสุขะพละแล้วก็รูปเสียงกินรถผลพระ ท, ทิปรณีและก็ความเป็นอออิอธิบดีคือความเป็นใหญ่เหนือเทวดาเหล่าอื่นเราถึงรุ่งเรืองวยรัศมีพุณนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นแก่เทวดา ปอนอายุก็เป็นทิพย์นหน้าก็เป็นทิพนะฮะความสุขก็เป็นทิพพลังก็เป็นทิพย์ผู้ารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายทาศากะเทวราชรงพิจานาเห็นว่าการเห็นพระเจ้าทั้งหลายก็ดีเพราะว่าคือกิริยามีการนั่งเป็นต้นในที่แห่งเดียวกันกับท่านก็ดีว่าคือการได้ทําวัดและปฏิบัติแก่ท่านก็ดี ยอมอย่างประโยชน์สําสำเร็จดังนี้จึงได้เสด็จมาอุปถากเราแล้วก็ส่งแสดงถึงคุณธรรมข้อนี้ก็ปรากฏในพระธรรมบทนะในสกะเทวินวัตถุในสุขวัาแข่งพระธรรมบทก็อย่างที่ได้บอกท่านผู้ฟังไว้ในตอนต้นนะฮะ ว่ามังคลิตมังคลัตติปันนีเนี่ยเป็นการอธิบายมงค์พลรสูตรเราก็ถือว่าเป็นพระสูตรเดียวที่อธิบายในเนื้อหาสาระที่ใหญ่มากๆต่อมาก็เป็นเรื่องพระสูตรในสังยุตติกาลคือเทวตาสังยุตที่อธิบายออกมาเป็นวิสุทธิมักโดยพระพุทธโฆษาจารย์นี่คุณเล่มใหญ่มากๆ อธิบายคาถาไม่กี่คาถาหรือถ้าเทียบปริมาณของตัวอักษรแล้วเนี่ยมีสุทธิมากมากกว่าและนับรัตพภาสิทธิ์ที่ทรงแสดงในสุขวัต ก, ก็คือเหตุที่ให้เกิดความสุขในพระธรรมบทจึงเป็นเรื่องสาธารณะคือทั่วไปแก่คนทั้งหลาย รับสั่งว่แท้จริงบุคคลผู้มีปกติเที่ยวสมคบคนผ่านย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนานหมายความว่าใครก็ตามที่ยุ่งเกี่ยวคนผ่านเนี่ยถ้าเราเที่ยวผู้ครองมันก็เหมือนกับเป็นยักษ์อยู่ร่วมกับยักษินีหรือว่าเทพธิดาอยู่ร่วมกับยักษ์หรือว่ายักษินีอยู่ร่วมกับเทพประบุนะ แต่สองคู่หลังเนี่ยฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนแต่คู่แรกเนี่ยมันเดือดร้อนทั้งคูเ่เพราะมีความรุนแรงด้วยกันทั้งคู่บางครั้ ง, งส่งแสดงในภาพขององค์กรบุคคลหมายความวมา่าผู้นำดีบริบาลไม่ดีเช่นว่าไม่มีประมุกเป็นเทพประบรุแต่มีบริวาลเป็นอาสูร หรือว่ามีบริวารเป็นเทพประบุติแต่ว่าประมุขเป็นอนสูรก็แสดงว่าประเภทแรกเนี่ยผู้นำจะปฏิบัติงานลำบากมากอนะเพราะว่าบริวารมันเป็นอสูรประเภทที่สองเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกบริวารจะเดือดร้อนเพราะผู้นำไม่ดี ว่าพระมุกเป็นอาสูรและมีอาสูรเป็นบริวารหรือพระมุกเป็นเทพบุตรเทพบุตรเป็นบริวารเนี่ยเขาไปกันได้นะอาสูรต่อสูรเขาก็ไปกันได้แบบอาสูรเทพบุตรกับเทพบุตรก็ไปกันได้แบบเทพบุตรดังนั้นการคบหาสมาคมมคนผ่านจึงก็ทุกแก่ผู้ครบนี่ตลอดกาลนานหมายว่าเมื่อไหรที่ไหนโดยใครนะฮะ แล้วก็ยิงกระจายตัวเองออกไปมากๆยิงเดือดร้อนก็ทรงแสดงว่าพราะการอยู่ร่วมกับคนพับเหล่าคนพานเป็นเหตุนำทุกมาให้ในการทุกเมื่ออยู่ร่วมพูดร่วมคิดร่วมทำงานร่วมมันเดือดร้อนหมดเพราะว่าคนเหล่านี้ตามปกติจะขาดจิตสานึกขาดความรับผิดชอบแสดงความเห็นแก่ตัวออกมา ให้ความต้องการแก่ตัวเองก็เรียกว่ามีประโยชน์ตัวเองเป็นที่ตังค์ผลการอยู่ร่วมคนพานก็เหมือนกับอยู่ร่วมกวับอมิตรคือศัตรูส่วนการอยู่ร่วมกับบัณฑิตร่วมหลักความคิดร่วมกิจกรรมร่วมผลประโยชน์กับบัณฑิตก็จะเป็นสุขเหมือนกับสมาคมแห่งญาติแห่งหมูญาต แต่เราก็พูดถึงญาติที่ดีนะฮะต้องเข้าใจพญาติดีแต่ญาติมันก็อย่างว่าคือบางคนมันก็เป็นผู้ที่เห็นแก่ตัวแต่ถ้าเรามามองในแง่ของกรรมเนี่ยนะะมันก็ไม่แน่ว่าญาติเหล่านั้นเนี่ยเราอาจจะเคยเบียดเบียนเขาเคยเกณฑ์ฆ่าเขาเคยทร้ายทาลายล้างเขามาเข้ามาด้วยความเป็นศัตรู มาเกิดเป็นญาติด้วยความศัตรูเพราะฉะนั้นบางพ่อแม่บางคนงมีลูกเป็นศัตรูร แ, แสดงว่าลูกเหล่านั้นไม่ได้มาด้วยบุญร่วมกันแต่ว่ามาด้วยบาปที่ร่วมกันเป็นความมุ่งมั่นที่จะมาล้างผลาญมันก็ะํานองใกล้ๆกับนางสีดาที่เกิดในขันนางมณโฑแล้วมาล้างผลาญทศกันฐ์้ในสังสารวัฏยาวนานในบางทีมันก็ยุ่งเหมือนกันนะ กิจับประเด็นไม่ได้เอ๊ะทำไมลูกมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเรามองไปมองไปเกิดดูไปเนี่ยก็จะเห็นแต่ว่าความอย่างรู้รายละเอียดลึกซึ้งขนาดนี้ก็เรียกว่าเป็นพุทธญาณเท่านั้นที่จะอย่างรู้ได้แต่ผลผลทั้งหลายนั้นต้องเกิดมาจากเหตุนแน่นอนปุเพสันนิวาสมันจึงมีสองแนวนะ แนวหนึ่งก็คืออยู่ร่วมกันด้วยความเปิดมิตรมาร่วมกันด้วยความเป็นศัต ร, รนนตรูมาแล้วก็ดึงเอาอาดีตเนี่ยมาใช้กันในปัจจุบันสร้างสรรความเป็นมิตรหรือว่าเบียดเบียนล่างพ่านกันแบบศัตรูโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละระรับสั่งว่าพระเหตุนั่นแหลนารชนพึงคบบัณฑิตผู้มีปัญญาเป็นผูสูตร โอการงานมีศีลมีวัดใกล้จากกิเลสแล้วก็เป็นสัตบุรุษมีปัญญาดีบีบเหมือนประจันท์คบกับอากาศอันเป็นทางโคจรแห่งดวงดาวเะนั้นคุณลักษณะของบัณฑิตเนี่ยคือตระกร่าโดยสรุปแล้วเนี่ยจะจับประเด็นง่ายๆนะว่าคือกิเลสมันจางไปคลายไปบรนเทาไป ควบคุมอาการของราคะอาการของโลภะอาการโทสะอาการโมหะได้บัณฑิตมันก็เริ่มจากสามัญชนคือคนดีๆแล้วก็ถือว่าอยู่ในกรอบของบัณฑิตแต่ว่าโดยในยานนี้ให้เราสังเกตว่าทงปรับระดับขึ้นไปเพราะความสุขมันมีหยาบกลางละเอียดคือบัณฑิตบางพวกท่านก็ให้ความสุขระดับหยาบ บางพวกท่านก็ให้ความสุขระดับกลางๆบางพวกเนี่ยก็สามารถให้ความสุขระดับระนีดที่เป็นความสุขทาวรารผลคุณลักษณะที่ทรงเน้นเฉพาะในที่นี้ก็คือหนึ่งก็มีปัญญาปัญญาเนี่ยเป็นตัวกําหนดความเป็นบัณฑิตที่เคยพูดไว้ในวันก่อนว่าปัญญาที่ชื่อว่าปัญญาก็ทําให้เราเรียกคนพวกนี้เป็นบัณฑิต สามารถมีปัญญาในการบริหารตนมีปัญญาในการคุ้มครองตนแล้วก็มีปัญญาในการชี้บอกทางที่ถูกต้องต่อบุคคลอื่นและเป็นผู้สูตรคือการศึกษาเรียนรู้มีประสบการณ์ทางภาษาสัมผัสมากมีการทรงจำไม่ได้มากทีแม่นยำในหลักในกฎในเกณฑ์ในสูตรต่างๆแล้วก็มีเหตุผลในการเพ่งพินิษพิจารณา ส่องมองสิ่งทั้งหลายจนเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็องงานอาการรับผิดชอบเป็นคนรับผิดชอบใน ง, งานการต่างๆในภารกิจต่างๆตรงนี้ค่อนข้างยากเพราะอะไรเพราะว่าการองงานอาการมันแสดงถึงความเพียรพยายามแต่พื้นฐานมนุษย์ีเห็นแก่ตัวนี่มันก็ติดสุขนะฮะต้องการความสะดวกสบาย อย่างที่เค ย, ยกตัวอย่างไว้เนีว่าทำมีเป็นเป็นมีธรรมีธรรมะเป็นธรรมีเนี่ยคือสามคำเนี่ยมันจะยุ่งมากๆคือมนุษย์อยากเป็นเพราะมนุษย์มีราวะตันหามนุษย์อยากมีเพราะมนุษย์มีการมทั น, นหาแต่ในขณะเดียวกันมนุษย์ไม่อยากทํานะเพราะมนุษย์ขี้เกียจมนุษย์เห็นแก่ตัวเพราะนภาวะขัดแยงด้งเมื่อเกิดว่าเมื่อผลทั้งหลายเกิดจากเหตุเหตุจะต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างฉลาด แต่คนขี้เกียจแล้วคนโง่ทั้งขี้เกียจทั้งโง่ปัญหาก็ตามมาถ้าถ้าเราจับให้ได้เราจะเห็นว่าตรงนี้เทพุจ้าทรงใช้อยู่บ่อยมากอาตาปีธรรมชาโนสติมาวิเนยะโลเกนใช้มากแล้วก็มีอยู่ทุกระดับเพียงแต่วความเข้มข้นแตกต่างกันเท่านั้นเองแล้วก็ทำให้คนอยากเป็นโดยวิธีการต่างๆใช้สินบาทขาดสินบนเล่นพวกเล่นพ้องช่วยเหลือกัน อาจแก๊สการอะไรต่างๆเนี่ยคนไร้คุณภาพเยอะในบ้านในเมืองที่อยู่ในจุดซึ่งน่าเสียดายไดไขคาดขวางโอกาสคนอื่นเอาคนโง่ขึ้นไปอยู่ในจุดตรงนั้นแล้วคนฉลาดก็แก่ไปเลยไม่มีโอกาสทำคนนั่นเองก็โง่แต่ว่าแกก็ไม่ทำงานแต่แกก็เป็นาะในการเป็นทำมีมีทำเป็นเป็นมีทำเนี่ยต้องอยู่ด้วยกัน หมายความว่าเมื่อเราเป็นอะไรต้องทําอย่างที่เราเป็นด้วยความมั่นขยันก่อนจะเป็นก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองให้มีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การเป็นแล้วก็มีคุณธรรมเหมาะสมแก่การเป็นถ้าเป็นอย่างนั้นก็โครงสร้างของพระพุทธเจ้านั่นแหละทำมีเป็นเป็นมีธรรมมีทําเป็นเนี่ยโครงสร้างการเป็นพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้านั่นเองเราจะเห็นว่ามีลักษณะหมุนกันไป ของคำสามคำทาทั้งฝั่งหลายเสียงธรรมจากหมหาทนายศีปพุธในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบู์ในธรรมตรงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี